เราดีเสมอเขาเขาดีดี้าเขาก็ดีเราก็ดีอย่างนี้นะพุทธเจ้ามาให้เปรียบเทียบมาให้สำคัญคือมเป็นทุกข์เพรานะนันถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งที่เราได้ไม่พอใจในสิ่งเราที่เราเมีเหมือนเรากําลังสร้างคุกสร้างตลางขังตัวเองถ้าคนไหนยินดีในสิ่งที่ตัวเอ ง, เองได้พอใจในสิ่งตัวเองเม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 เพราะนั้นให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันที่คุณโยมถ้าเรายากมีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าสอนนะั้มีความสุขในปัจจุบันนี้ท่านจังหวาให้เราเริ่มต้นในวันนี้วันต่อไปแล้วก็เป็นบันทิดีของเราเป็นบันทิดีของเราทุกวันบางทีอาจจะไม่จำเป็นตกแปลงหาหมอดูเลิกดูยาก็ได้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 ถ้าทำดีขณะดนี้ยมก็มีความสุขขนาดนี้อ่าส ม, มุหาใจเขาเรามีสติมีพวลุลเราให้ไม่ให้จิตของเราเอียงไปในความรักเอียงไปในความชังแล้ตั้งจิตไว้ตรงกลางๆมีสติกับเบียาหาใจขึ้นให้เราสํารวมว่าเราจะมีสติกับเวียาไว้ตลอดเวลานี่จิตเป็นกลางๆยมจะทุกตรงไหน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 มันบางคนไม่มีสติไม่มีอะไรตำหนิตำห น, นิตัวเองเกิดมาทําไมมันจึงไม่สวยเหมือนเขาเกิดมาทําไมไม่รวยเหมือนเขาเกิดมาทําไมมันเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ไปแล้วอไฟลำทุ่งไปเลยแล้ะทีนี้ไม่ไปเรื่อยแล้วทีนี้ออกจากตัวเองก็ไปหาคนอื่นอีกและทีนี้เน่ยถ้าขาดผู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นคุณชอบเหมือนรถไปมีเบรกเลย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 รถอีกคันหนึ่งตายทั้งสี่ตายพร้อมกันเลยตายทั้งครอบครัวทีเดียวเรื่องเกิดอยู่ทางดอกคำใต้พระเยาว น, นั่นน่ะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็เพราะมันขาดสติตัวนี้แหละรขาดสติขาดปัญญาขาดความนม้มนมตะวังเพรอะนั้นชีวิตของเราถ้าขาดความนม้มนมตะวังเห็นไหม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 เราก็ไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นใช่ไม่ต้องทุกข์กับคนอื่นเราดูแลตัวเองพอละอะไรมันเข้ามาหาจกิตแล้วขณะนี้ก็ให้รู้รู้ถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็สลัดทิ้งยนะ่ยมอยู่นั่งอยู่ที่ไหนก็ได้หลับตาลืมตาก็ได้นั่งอยู่ที่ทางานย่มก็ทําอยู่ที่ทำงานว่าขณะนี้กำลังทาอะไรอยู่นะ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 คำพูดมันก็ลอยไปตามลมหมดไปเองนอกเราจะไปยึดมันไว้ทัวไหนะไปขังมันไว้พอโยมไปยึดไปขังมันไว้ก็เลยเป็นทุกขังนะพอยมไปขังมันไว้มันก็เลยเป็นทุกขังขึ้นมาเลยเป็นศัตรูเราทันี้เรื่องของคนอื่นเนี่ยจะเอามาเป็นศัตรูเราทั น, นี้นิยมพระอนั่งให้ยอมภาวนากันไปป่อยอาธาใครยังไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ชัดเจนเอาสมมติขึ้นก่อนก็ได้ยอม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 เพราะฉะนั้นเราต้อ ง, งตั้งใจว่าเราไม่ติฉินเราไม่นินทาเราไม่ใส่ร้ายเราไม่ป้ายสีแล้วเราจะไม่เป็นคนพูดมากเกินไปพอเวลาพูดพ่อยๆเนี่มักจะโกหกกันบ่อยๆนะแล้วพูดแตสิ่งที่จําเป็นเราไม่ได้ปะทะเรื่องนั้นมาพูดท้ายเรื่องนี้ไม่พูดให้คนอื่นสําคัญว่าอะไรโอ๊ยเรารู้ทุกอย่างในในโลกนี้รู้กว่าคนทั้งหลาย เกงคนทั้งหลายที่จริงมันอาจจะโง่กคนทั้งหลายก็ได้บางทีสิ่งไม่รู้ก็สร้างขึ้นมาคาดคะเนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยน ะ, ะมันก็ยังใช่ไม่ได้คุณโยมเดี๋ยวเกิดเมืองจีนจะแตกคนอยู่แถบริมแม่น้ำคงจะตายหมดจอยเดี๋ยวกว่าน้ําแข็งอมันจะล่วงลงไปน้ําทะเลจะหนุนขึ้นมาท่วมโลกอย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 คนสุดตายมันก็อาจจะวิ่งไม่ทันเรามันอาจจะตายก็ได้เพราะเราไม่เลี้ยงมันนะ อ, มอันนี้พระพุทธองคเปรียบเทียบไว้นะพระพุทดธดเจ้าจงบอกให้ละทำดำเสียแล้วให้เจริญทำขาวอันนี้เรามีเหตุผลนที่พูดให้ฟังถ้าคนโยมคนไหนจะค้านก็อคอยว่ากันแตน่พูดเหตุผลให้ฟังให้เธอละทำดำเสียให้เจริญทำขาวเพราะนะยนจึงไม่ต้องวิตก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 เก้าปีผ่านไปแล้วยังไม่ทายสดเชิญแถมเรียนอภิธรรมด้วยเดยนี้นั่นเหตุหมาจากําลังใจคุณยอมกาลังใจนี่สําคัญมากยังมีอีกเยอะแต่ไม่อยากจะพูดหลอกทีนี้ที่ประสบการณ์เรื่องนี้มาเพราะฉนั้นกําลังใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะไปหวังกําลังใจจากคนอื่นจอมถ้าเราไปหายใจร่วมคนอื่นนี้